สังเกตจากอิริยาบทอิริยาบทคือการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นทางหนึ่งที่เราจะสังเกตจริตของผู้เป็นเจ้าของอิริยาบทนั้นได้การสังเกตจากอิริยาบทนี้ท่านแสดงไว้3ทางคือกการไปตามปกติคนราคะจริตไปอย่างเช่มช้อยค่อยๆ ย, ยกเท้าวางเท้ารอยเท้าเว้าแหวงคนโทสะจริตเดินจิกปลายเท้า ยกเท้าวางเท้าเร็วรอยเท้าจิกปลายคนโมหจจะจริตไปอย่างงมงายเวลา ย, ยกเท้าวางเท้าคล้ายค้ายสันรอยเท้าจิกทั้งปลายทั้ง้นการสังเกตจริต จ, จากการไปนี้จะสังเกตดได้เฉพาะการไปตามปกติเท่านั้นถ้าเขาไปโดยมีเหตุผิดปกติเช่นรีบหนีฝนหรือทหารเดินในแถวตามระเบียบ ก็สังเกตจริตไม่ได้ขอการยืนการนั่งคนราคะจริตยืนหรือนั่งหน้าดูมีอาการละมุนละม่อมคนโทสะจริตยืนหรือนั่งแสดงอาการกระด้างในวงเล็บจะเข้าลักษณะที่คนชอบพูดกันว่ายืนเบ่งนั้นกระมังคนโมหะจิตยืนหรือนั่งบ่งเซอร์เมือม่อเม่อลอ ย, ลอย คการนอนคนราคะจริตนอนอย่างไม่รียบร้อนปูที่นอนเรียบร้อยแล้วจึงค่อยๆนอนลงวางอวัยวะส่วนต่างๆไว้เรียบร้อยนอนอยู่ในอาการน่าดูเมื่อถูกปลุกค่อยๆให้คำตอบเหมือนกับไม่เต็มใจคนโทสะจริตนอนอย่างรีบร้อนจัดที่นอนตามมีตามได้ในวงเล็บไม่พิถีพิถัน แล้วก็ทิ้งตัวลงนอนทิ้งอวัยวะเกกะพอถูกปลุกก็ตื่นเร็วให้คำตอบอย่างเดือดเดือดคนโมหะจริตจัดที่นอนไม่เรียบร้อยนอนขวางในวงเล็บคือเวลากำลังหลับมือเท้าเหวี่ยงเกกะไปโดยไม่รู้ตัวส่วนมากนอนคว่มหน้าพอถูกปลุกก็ทำอาการกระบิดกระบวนในวงเล็บขี้ซาวลุกช้า การปลี่ยนอิรยาบทของคนศรัทธาจริตก็เหมือนกับคนราคะจริตของคนพุทธิจริตเหมือนกับคนโทสะจริตของคนวิตกจริตเหมือนกับคนโมหจริตสสังเกตจากการทํางานท่านแสดงงานที่จะสังเกตไว้อย่างเดียวคือการปัดกวาดซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันดังนี้คนราคะจริตจับไม้กวาดค่อยๆกวาดอย่าไม่รีบร้อนกวาดเตียนดี ละเอียดละอปูเครื่องปูลาดเรียบร้อยสะอาดหมดจดคนโทสัจรจริตกำไม่กวาดแน่นกวาดเร็วฝุ่นฟุง้งทำเสียงโครมครามสะอาดเป็นย่อมย่อมคนโมหจริต จ, จับไม่กวาดล่มหลวมไม่ถี่ท้วนเอาดีไม่ได้ทำงานหยาบที่กล่าวนี้ท่านแสดงแต่เพียงการปัดกวาดอย่างเดียวพอให้เห็นเป็นตัวอย่าง ถึงการทํางานอย่างอื่นก็พึงสังเกตโดยอนุโลมตามนี้เช่นถ้าเป็นพระภิกษุจะสังเกตการคลองจีวรของท่านก็ได้พระภิกษุที่มีราคะจริตคลองจีวรไม่รัดตัวแน่นเกินไปไม่หลวมเกินไปเรียบร้อยน่าชมพระภิกษุที่มีโทสะจริตหมุนลูกบวชจีวรรัดตัวจนแน่นไม่สู้เรียบร้อยเพราะความมักง่ายใจร้อน ฝ่ายพระภิกษุที่มีโมหะจริตครองจีวอหลวมพเพื่อพยาบแม้การจัดบริขารตลอดจนเสนาสนะที่อยู่ก็พอสังเกตจริตได้ทั้งนั้นสาหรับขฤรืหัดเราก็อาจสังเกตได้จากงานต่างๆที่เขาทำถ้าท่านไปติดต่อกับใครในสำนักงานท่านก็ควรจะดูโต๊ะทำงานของเขาถ้าโต๊ะทำงานสะอาดหนังสือและเครื่องใช้ต่างๆวางไว้อย่างเป็นระเบียบ ไม่ว่าจะมีของมากหรือน้อยนั่นก็เป็นเครื่องสอให้เราเห็นว่าเจ้าของโต้นั้นเป็นคนราคะจริตเข้าบ้านใดเพียงแต่เห็นผ้าที่เขาตากไว้ตามเราบางทีเราอาจสังเกตได้เหมือนกันว่าผู้ตากนั้นมีจริตอย่างไรคนราคะจริตมักจะตากได้เรียบร้อยเหมาะกับรูปและส่วนของผ้าส่วนคนโทสะจริตมักจะสักแต่ว่าคลิ่ลี่ผาด ไว้พอให้แห้งได้เท่านั้นชายผ้าหรือมุมผ้าจะโยบเยไปอย่างไรช่างมันการพับผ้าหรือพับกระดาษก็อนุโลมกับการตากผ้านี้สิ่งที่จะสังเกตได้ง่ายและไม่ค่อยผิดยังมีอีกมากเช่นการจัดธนบัตรใส่กระเป๋าการจัดของบรรจุกระเป๋าเดินทางการจัดของใส่ลิ้นชักโต๊ะทางานการพับจดหมายใส่ซอง และอื่นๆอีกนี่เป็นข้อที่ข้าพเจ้าได้อาศัยสังเกตมาด้วยตนเองแล้วแต่อย่าลืมว่าเราต้องสังเกตจากการทํางานตามปกติของเขาจึงจะรู้ความจริงสรุปได้ว่าคนราคะจริตทํางานละเอียดละออน่าดูน่าชมทําได้เรียบร้อยและเสมอต้นเสมอปลายคนโทสะจริตทํางานรวดเร็วขึงขังไม่ย่อท้อ คนโมหจริตทำงานไม่ละเอียดข้างค้างไม่สม่ำเสมอและไม่ค่อยเสร็จการทำงานของคนสัทธาจริตก็เหมือนกับของคนราคะจริตของคนพุทธิจริตเหมือนกับของคนโทสะจริตของคนวิตกจริตเหมือนกับของคนโมหจริต 3. ส, สังเกตจากการกินคนราคะจริตชอบอาหารชนิดที่มีรสร่อยสนิท คือรถไม่จัดทำคำข้าวกลมกล่อมพอดีพอดีไม่เล็กเกินไปหรือโตเกินไปชอบลิ้มรสแปลกๆไม่รีบร้อนได้อาหารถูกปากอย่างเดียวเท่านั้นก็พอใจแล้วคนโทสะจริตชอบของห ย, ยาบหยาเปรียปร้ยวๆในบังเล็บรถจัดบัญจุคำข้าวเต็มปากรีบร้อนกินเร็วถ้ามีอาหารที่ไม่ถูกใจอย่างเดียวเท่านั้นก็พลานโกรธ ข้าพเจ้าเคยสังเกตเห็นคนโทสจริตหลายคนที่มีความรู้สึกตรงกันในเรื่องการกินคือชอบของสดคาวเช่นกุ้งพลาปลายำหรือราบที่ว่าชอบในที่นี้คือโปรดปลาจริงๆคนโมหะจริตชอบรสอาหารไม่แน่นอนทำคำข้าวไม่เรียบร้อยทำคำเล็กๆเม็ดข้าวตกเรียราชปากเลอะกินอย่างใจลอย เรื่องการสังเกตรจริตจากการกินนี้บางทีจะช่วยแก้วความหนักใจของท่านสุภาพสตรีที่เป็นแม่บ้านได้บ้างกระมังเพราะแม่บ้านส่วนมากมักจะหนักใจในปัญหาเรื่องการปรุงอาหารให้ถูกปากพ่อบ้านและฝ่ายพ่อบ้านก็ไม่ควรเกณฑ์ให้ได้ตามจริตของตนเสมอซึ่งจะกลายเป็นคนเลี้ยงยากเอาใจยากจนแม่บ้านอ่อน อ, อกอ่อนใจ การกินของคนศรัทธาจริตก็เหมือนกับของคนราคะจริตของคนพุท ธ, ธิจริตเหมือนกับของคนโทสะจริตของคนวิตกจริตเหมือนกับของคนโมหจริตสสังเกตจากการดูการดูในที่นี้หมายถึงการดูสิ่งต่างๆเช่นดูคนดูสัตว์ดูวิวต่างๆดูรูปภาพและอื่นๆและขอให้ทราบว่าสิ่งที่เห็นด้วยตาทั้งหมด รวมเรียกว่ารูปในที่นี้คนราคะจริตเห็นรูปที่น่ารักนิดนิ ด, นดหน่อยๆน่อก็เพ่งมองในวงเล็บดูอย่างสนใจเหมือนกับเกิดความพิศวงเอาจริงๆจังๆติดใจในคุณภาพแม้นิดเดียวที่มีอยู่ในรูปนั้นแม้จะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างก็ไม่ถือสาถึงรูปนั้นจะผ่านเลยไปแล้วก็ยังไม่ยอมลดละ ยังตามดูอีกอย่างที่เรียกว่าเชงเงืมอมบางทีถึงกับกลับหันหลังมองหรือเดินตามดูจริงๆก็มีคนโทสะจริตเห็นรูปที่ไม่ชอบใจนิดเดียวก็หงุดหงิดใจไม่อยากดูดูได้ไม่นานถ้ามีข้อบกพร่องเพียงนิดหน่อยอยู่ในรูปนั้นก็ขัดใจไม่สนใจในความดีของรูปนั้นซึ่งแม้จะมีอยู่ ถึงรูปนั้นจะผ่านเลยไปแล้วก็ช่างไม่รู้สึกเสียดายคนโมหะจริตเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่คนหนุนข้างคนอื่นเขาติก็พลอยติกับเขาเขาชมก็พลอยชมกับเขาด้วยเนื้อแท้ของตนเองเป็นคนเฉยเฉยเพราะซึมในเรื่องการสังเกตรจริตจากการดูนี้ถ้าท่านมีคนในปกครองจํานวนมากๆเช่นนักเรียนหรือทหาร ลองพาไปชมอะไรพร้อมกันหลายๆคนเช่นชมภาพในวัดพระแก้วแล้วสังเกตดูโดยไม่ให้เขารู้ตัวท่านจะเห็นว่าในจํานวนนักเรียนหรือทหารเหล่านั้นมีความสนใจในการดูไม่เท่ากันซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจริตของเขาการดูของคนศรัทธาจริตก็เหมือนของคนราคาจริตของคนพุทธิจริตเหมือนของคนโทสะจริต ของคนวิตกจริตเหมือนของคนโมหจริต 5. สังเกตจากธรรมที่เขาประพฤติคำว่าธรรมในที่นี้ขอให้เข้าใจว่าหมายถึงปกตินิสัยหรือสภาพจิตใจสังเกตตามที่ท่านแสดงไว้ในวิสุทธิมักเป็นเรื่องของกิเลสเสียทั้งนั้นคือคนราคะจริตมีกิเลสเหล่านี้มากคื อ, จอเจลเอโออวัถือตัวปรารถนาลามก มากมากไม่สันโดษแง่งอนอ่อนแอคนโทสะจริตมีกิเลสเหล่านี้มากคือโกรธผูกโกรธในวงเล็บไม่ค่อยจะให้อภัยแก่คนอื่นหลูคุณท่านตีเสมอริษยาในวงเล็บเห็นคนอื่นได้ดีรู้สึกไม่สบายใจคนโมหจริตมีกิเลสเหล่านี้มากคือง่วงเหงา หดผูเคลิบเคลิม้มฟุ้งซ่านลังเลสงสัยคล้อยตามเปลืองยากในวงเล็บอบรมแนะนำให้ดียากคนวิตกจริตมีกิเลสเหล่านี้มากคือพูดพร่ำชอบคลุกคลีกับมูกลางคืนชอบคิดวางโครงการแต่ถึงกลางวันเข้าจริงงานไม่ทำชอบพลุกพล่านไปทางโน้นทางนี้ชอบเปลี่ยนงาน คนศรัทธาจริตชอบเลื่อมใสในสิ่งต่างๆลงได้เลื่อมใสในสิ่งใดแล้วก็อาจยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างบูชาสิ่งนั้นคนพุทธิจริตมีกิเลสเหล่านี้มากคือเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเลือกคบแต่คนดีรู้ประมาณในการกินอาหารไม่เผลอเรอในวงเล็บมีสติสัมปชัญญะเศร้าสลดใจในสิ่งที่ควรเศร้าแล้วทาความเพียร การสังเกตจริตจากธรรมที่ประพฤตินี้ออกจะยากสักหน่อยเพราะคนที่ได้รับการอบรมทางธรรมแล้วมักจะอาศัยพระธรรมเป็นเครื่องบังคับจิตของตนมีให้แสดงอาการไม่ดีไม่งามออกมาภายนอกแต่อย่างไรก็ตามอาการที่ว่ามานี้ก็ยังคุดอยู่ในภายในนั่นเองในวงเล็บเว้นแต่ท่านผู้ละกิเลสได้แล้วเรื่องเหล่านี้คนอื่นไม่รู้แต่ตัวเองรู้ ท่านพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งเคยประรบให้ข้าพเจ้าฟังว่าท่านมีความริษยาอยู่ในจิตของท่านแก้ไม่หายคือพอเห็นคนอื่นได้ดีหรือทําความดีอะไรจิตของท่านจะรู้สึกไม่ชอบขึ้นมาทันที ท, ท, ทั้งๆที่ท่านเองไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนแข่งดีอะไรกับคนนั้นเลยแต่ความไม่พอใจที่ว่านี้เกิดขึ้นในแวบเดียวในวาระแรก ที่ได้เห็นได้ฟังความดีของคนอื่นเท่านั้นแล้วก็ดับหายไปความมุทิตาก็เกิดขึ้นแทนอาการอย่างนี้มีอยู่ในคนโทสะจริตต้องสังเกตตนเองให้ดีจึงจะรู้เพราะมันคุดอยู่ข้างในวิธีสังเกตจริตจากอิริยาบถสังเกตจากการทำงานสังเกตจากการกินและสังเกตจากการดู4ี่อย่างนี้ท่านแสดงไว้เฉพาะเรื่องของราคะจริต โทสจริตและโมหจริตเท่านั้นส่วนจริตอีกสมอย่างไม่ได้แสดงไว้เพราะจริตทั้ง6อย่างนั้นจัดเป็นพวกแล้วมีสามพวกตามอาการที่เป็นไปคล้ายคลึงกันดังนี้ราคาจริตเป็นพวกเดียวกับศรัทธาจริตโทสะจริตเป็นพวกเดียวกับพุทธจริตโมหจริตเป็นพวกเดียวกับวิตกจริตเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนเรียบท การทำงานการกินและการดูของคนศรัทธาจริตก็เหมือนกับของคนราคาจริตของคนพุทธิจริตก็เหมือนกับของคนโทสะจริตของคนวิตกจริตก็เหมือนกับของคนโมหจริตเว้นแต่ธรรมที่เขาประพฤติเท่านั้นที่แตกต่างกันเป็นหกอย่างดังกล่าวแล้ววิธีสังเกตจริตที่ข้าพระเจ้านำมากล่าวนี้ทั้งหมด ข้าพเจ้าเก็บใจความจากคำพีวิสุทธิมักมาแสดงประกอบกับวิธีสังเกตของข้าพเจ้าเองซึ่งเคยใช้มาแล้วบ้างเล็กน้อยสรุปแล้วเรื่องจริตนี้เป็นเรื่องสำคัญมากอาจวาดชีวิตของคนเราให้เป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งได้ทั้งทางดีทางเสียถ้าท่านอยากให้อนุชนของท่านมีจริตอย่างไรท่านก็จะต้องจัดที่เหตุสองอย่าง คือการอบรมกับการเสพคุนหมายความว่าจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมและสร้างแนวคิดให้เขาให้เหมาะสมกับความต้องการของท่านบทที่ 5. ้วังจิตเข้าผวังขณะทำงานผู้บังคับบัญชาก็สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเคลื่อนไหวไปตามคำสั่งครั้นทำไปทำไปผู้ใต้บังคับบัญชาเหน็ดเหนื่อยในวงเล็บหรือเจ็บป่วยล้มตายลง ทำงานต่อไปไม่ไหวนายก็สั่งให้หยุดทำงานผู้ใต้บังคับบัญชาก็ได้พักผ่อนนายเองก็เลิกทำหน้าที่สั่งกลับจากที่ทำงานไปบ้านแล้วพักผ่อนตามสบายนี้คือเรื่องของคนคนหนึ่งจิตของเราก็เหมือนกันวันหนึ่งหนึ่งจิตเริ่มทำงานก่อนอวัยวะทุกส่วนสังเกตดูตามปกติตาเป็นผู้เอาการเอางานมากที่สุด เคร่งครัดต่อหน้าที่ตั้งแต่เช้าจนเข้านอนงานของตาสัมพันธ์กับงานของอวัยวะอื่นๆแทบทั้งหมดแต่จิตต้องเคร่งเครียดอยู่กับงานยิ่งกว่าตาอีกหลายเท่าสังเกตดูตอนตื่นนอนเวลาเช้าจิตตื่นก่อนอวัยวะทั้งปวงแล้วก็เริ่มทำงานคือคิดอะไรอะไรตั้งแต่ยังไม่ลืมตาคิดไปคิดไปพอสมควรแล้วจึงบังคับตาให้เริ่มเปิดทางานคือลืมตาขึ้น ทัดจากนั้นจึงบังคับร่างกายให้ลุกจากที่นอนแล้วสั่งงานแก่อวัยวะอื่นๆต่อไปจนตลอดทั้งวันครั้นทำงานนานๆเข้าอวัยวะทั้งหลายก็พ่ายต่องานคือหมดกำลังที่จะทำงานต่อไปจิตก็สั่งปูนบาเหน็จเป็นข้าวต้มหรือข้าวสวยแก่ร่างกายตามสมควรแล้วให้ร่างกายพักส่วนจิตเองจะพักหลังอวัยวะอื่นๆ ถ้ามีอวัยวะส่วนใดยังสู้งานอยู่จิตก็ยังสู้เช่นเหยียดกายอยู่บนที่นอนแล้วแต่ตายังไม่หลับจิตก็จะยังไม่ยอมพักแม้หนังตาปิดลงแสดงว่าตาได้เลิกงานแล้วถึงกระนั้นจิตก็ยังไม่หยุดงานทีเดียวยังมีการคิดกำเนึงต่อไปอีกตามสมควรแล้วจึงค่อยๆระ ง, งับอาการคือหยุดรู้ตามทวารหยุดรับหยุดจาหยุดคิด ตอนต่อไปนี้ถ้าได้อบรมธรรมะอยู่ก็จะเหลืออยู่แต่ภาวะเดิมคือรู้แต่ไม่มีเรื่องไม่มีอารมณ์ไม่มีอาการส่วนผู้ที่ไม่ได้อบรมธรรมะจิตก็เข้าสู่ภาวะเดิมของปุตุชนหรือสามัญชนคือมืดในวงเล็บเข้าอยู่กับอวิชชาจึงไม่วิมุตตหลุดพ้นจากภพจากชาติแต่ก็เป็นการพักเหมือนกันภาวะเดิมของจิตนี้คำพระเรียกว่าภวัง ในวงเล็บภาวะบวกอังคะแปลตามตัวศัพท์ว่าองค์ภพจิตในภวังเลิกทำงาน4อย่างคือการรู้ตามทวารการรับการจำการคิดตังจะเห็นได้ว่าเวลาคนกำลังหลับจิตไม่เสวยสุขไม่เสวยทุกข์พูดง่ายๆคือไม่รู้สึกสุขหรือทุก์มหาเศรษฐีกับคนเข็นใจถ้าหลับแล้วจิตก็เฉยเฉยเหมือนกัน ความดีใจเพราะรวยก็ไม่มีแก่มหาเศรษฐีความเสียใจเพราะจนก็ไม่มีแก่คนเห็นใจนี่เพราะขณะนั้นจิตงดรู้งดรับงดจำมีเงินอยู่เท่าไหร่จำไม่ได้หรือไม่ได้จำคนโง่กับคนฉลาดหลับแล้วจิตไม่ได้จำอะไรเหมือนกันงดคิดหลับแล้วไม่ได้คิดจะทำอะไรทั้งสิ้นจะคิดซ่อมบ้านจะคิดแต่งงานอะไรก็เปล่า คนที่มีงานเหลือมือกับคนไม่มีงานทำหลับแล้วจิตก็หยุดคิดเหมือนกันเป็นนั้นว่าจิตเข้าผวังแล้วงดรู้ทางทวารรับจำคิดก็งดถ้าสังเกตดูให้ดีคือก่อนจะหลับท่านลองเอาสติจดจ่ออยู่ที่จิตคิดง่ายๆว่าเราจะดูตัวหลับสิจะเป็นอย่างไรท่านจะเห็นอาการของจิตตอนจวนจะหลับจริงๆ บางวันจิตจะมีอาการถอยเข้าถอยออกตั้งหลายครั้งคือ ง, งีบลงไปแล้วก็กลับคิดขึ้นมาอีกโดยปกติก่อนจะหลับคนเราจะคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งครั้นคิดไปคิดไปเรื่องที่คิดนั้นจะดับหายไปเฉยๆในวงเล็บเผลอและมีสิ่งหนึ่งปรากฏแวบขึ้นในจิตแล้วดับไปจิตกลับฟื้นเอาเรื่องเดิมมาคิดต่อไปอีกหน่อยเรื่องนั้นก็ขาดตอนลงอีก มีสิ่งหนึ่งแวบขึ้นในจิตอีกอาการอย่างนี้ถ้าเกิดถีเข้าเท่าไหร่แสดงว่าเราใกล้จะหลับมากเข้าข้อนี้แสดงว่าจิตกําลังจะระงับอาการคิดแล้วเข้าสู่ภวังแต่จิตยังติดพันกับอารมณ์จึงถอนจากผวังมาคิดสืบต่ออีกที่เป็นเช่นนี้มักจะปรากฏในวันที่มีเรื่องยุ่งใจหรือกังวลมากหรือกลางวัน วันนั้นจิตเผชิญกับอารมณ์หนักพิเศษเช่นเสียใจมากหรือดีใจมากมิเช่นั้นก็มีเรื่องกังวลมากเช่นวันรุ่งขึ้นจะต้องทางานสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเดินทางไกลหรือเข้าสู่พิธีสำคัญบางทีกายหลับแต่ทวารภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายพักหมดแล้วแต่จิตยังอยู่ที่ทวารภายในคือที่มโนทวาร จึงปรากฏเป็นฝันหรือละเมอมากการหลับชนิดนี้ตรงกับที่เราพูดกันว่าหลับหลั บ, ลบ ต, ตื่นตื่นเข้าใจว่าท่านผู้ฟังคงจะเคยประสบมาด้วยกันบางทีเราหลับแต่คล้ายๆกับจิตยังรู้เรื่องอะไรอะไรอยู่เท่าที่กล่าวมานี้เป็นเพียงกล่าวถึงจิตเข้าพวังในวันหนึ่งหนึ่งคราวนี้ในชาติหนึ่งคือนับแต่เกิดจนตายจิตมีความเป็นไปทานองเดียวกันนี้ เมื่อเรายังเป็นเด็กทารกเรามักจะหลับบ่อยๆประเดี๋ยวลงเปลงลงเปลเพราะอวัยวะร่างกายของเด็กยังไม่ทนต่อ ง, งานพ่ายต่อ ง, งานเร็วร้องไห้พักเดียวก็เหนื่อยเมื่อเครื่องมือทำงานไม่สมประกอบทางที่จิตจะทำงานก็น้อยคือไม่มีอะไรจะทำจิตก็เข้าผวังคือหลับในวงเล็บคนที่ถูกบังคับให้อยู่นิ่งๆเช่นนักเรียนอยู่ในห้องเรียน หรือคนฟังเทศนาก็มักจะหลับง่ายๆเหมือนกันเพราะเครื่องมือสำหรับจิตทำงานคือร่างกายใช้ไม่ได้เสียแล้วจิตไม่มีงานทำก็เข้าสู่ผวังครั้นเราโตขึ้นแล้วอวัยวะทนต่อ ง, งานจิตก็มีทางทำงานได้มากประมาณ12ชั่วโมงอวัยวะจึงจะพ่ายต่อ ง, งานครั้งนี้มีชีวิตอยู่ไปอยู่ไปร่างกายเกิดชมรัส คือล้มป่วยลงจิตเสียดายนักคิดอ่านรักษาเป็นการใหญ่ถ้าร่างกายกลับฟื้นคืนดีก็ดีไปแต่ถ้าร่างกายยิ่งสุดหนักลงผลที่สุดจิตเห็นว่าสู้ไม่ไหวเยียวย า, วยาวไม่ได้แล้วจิตก็ทอดอาลัยในร่างกายจะออกจากร่างจึงกลับเข้าสู่พวังการเข้าพวังของจิตในอวสานแห่งชีวิตนี้ก็มีอาการคล้ายกันกันกบตอนก่อนจะหลับ ซึ่งได้กล่าวมาแล้วคือถ้าผู้นั้นมีเรื่องเป็นห่วงหรือมีเรื่องกังวลอยู่มากจิตก็ถอนจากภวังหลายครั้งจิตถอนออกมาว่าจะสั่งร่างกายให้ช่วยทำอะไรสักเล็กน้อยแต่ร่างกายในขณะนั้นก็สิ้นคุณภาพเสียแล้วชำรุดจนใช้การไม่ได้ฝืนทําตามที่จิตสั่งได้บ้างก็ไม่เป็นอาการสมบูรณ์ปากพูดก็กลายเป็นเพอ้อ ฟังไม่ได้ถ้อยอได้ความมือจะแสดงอาการก็เป็นการข่อยคว้าอากาศดูไม่รู้ความประสงค์งานของจิตตอนนี้ฉุกเฉินเต็มทีคนประเภทนี้ภาษาชาวบ้านว่าตายตาไม่หลับฝืนอกฝืนใจตายไปแทๆ้ๆอีกประการหนึง่งภาพแห่งกรรมชั่วที่ตนกระทำไว้มาปรากฏแก่จิตในขณะจะเข้าสู่พวัง จิตที่ถูกภาพแห่งกรรมชั่วหลอกหลอนเช่นนี้ก็เข้าสู่พวังด้วยความยากลำบากเหมือนกันข้าพเจ้าเคยเห็นมากับตาแล้วมีคนคนหนึ่งเป็นคนฆ่าวัวเอาเนื้อขายเป็นอาจินต่อมาแกป่วยหนักถึงตายแต่แกตายด้วยความลำบากยากเย็นเหลือเกินพอม้อยไปประเดี๋ยวเดียวก็สะดุ้งตื่นขึ้นอีกแล้วแล้วเล่าๆมีอาการกระหืดกระหอบ เหมือนคนหนีภัยและร้องโอดครวญด้วยความทุกข์ทรมานแกบอกกับพวกญาติซึ่งเฝ้าพยาบาลว่าบรรดาวัวกี่สิบกี่ร้อยตัวที่แกฆ่ามันแล้วได้มาห้อมล้อมตัวแกมันได้พากันรุมขิดแกบ้างกระทืบบ้างจนแกทนไม่ไหวเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เช้าประมาณ4ี่โมงจนกระทั่งบ่ายของวันรุ่งขึ้นจึงตายได้ ลูกเมีายญาติพี่น้องพากันนั่งร้องไห้สงสารอยากให้แกตายตายไปเสียจะได้พ้นทุกทรมานผู้ที่มีกำรรชั่วอย่างนี้หลอกหลอนจิตก็ไม่สามารถจะเข้าพวังได้อย่างเป็นระเบียบภาพที่ปรากฏในภวังขณะจิตจะออกจากร่างนี่แหละท่านเรียกว่ามรณะนิมิตจิตถือเอามรณนิมิตแล้วย่อมเข้าถึงคติถ้ามรณนิมิตนั้นเป็นฝ่ายกุศลก็ส่งจิตไปสู่คติที่ดี ถ้ามรณนิมิตนั้นเป็นฝ่ายอากุศลก็ส่งจิตเข้าสู่คติที่เลวประเพณีโบราณท่านทำดีมากคือเมื่อคนป่วยหนักท่านจัดให้ได้ถวายสังฆทานบ้างให้ได้รับศีลบ้างให้ได้ฟังเทศบ้างความมุ่งหมายก็เพื่อช่วยเหลือผู้นั้นให้ได้มรณนิมิตที่ดีกิริยาที่จิตรับในวงเล็บกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งในวาระจวนเจียนจะออกจากร่างเช่นนี้ ถ้าเรียกว่าอาสันนกรรมถ้าไม่มีกรรมอื่นที่หนักกว่าแรงกว่ากรรมนี้จะให้ผลก่อนส่วนผู้ที่ตายโดยมีเวลาเตรียมตัวลูกเมียมไม่ต้องห่วงปรุงธุรกิจเรียบร้อยแล้วทั้งไม่มีภาพร้ายแห่งบาปที่ทำไว้มาหลอกหลอนจิตจะเข้าพวังอย่างเป็นระเบียบปากไม่พูดเพอร่างกายก็ไม่แสดงอาการน่าเกลียดการตายของเขา จะเหมือนกริยานอนหลับของคนธรรมดาคนอย่างนี้ชาวบ้านพูดว่าหลับตาตายนี่คือจิตเข้าผวังในอวสานแห่งชีวิตเด็กที่อยู่ในคันของมารดาไม่ว่ากระวนกระวายเพราะเวทนานั้นเพราะขณะนั้นจิตอยู่ในภวังเป็นส่วนมากถอนจากผวังเป็นบางคราวแล้วก็เข้าสู่ภวังอีกมีอาการเหมือนคนนอนหลับตื่นขึ้นเพราะฝัน ทัตื่นขึ้นแล้วไม่เห็นสิ่งที่ตนฝันก็หลับต่อไปอีกท่านผู้ฟังคงจะจำได้ว่าจิตในภวังไม่มีอาการสี่อย่างคือรับจำคิดและรู้อารมณ์ทางทวารเพราะฉะนั้นเด็กจึงไม่มีทุกขเวทนาขณะอยู่ในคันรวมความว่าคนสามัญจิตเข้าพวังในขณะอยู่ในคัน 1. นหลับหนึ่งตายในวงเล็บรวมทั้งสลบหนึ่งเป็นสามคราว แต่ผู้ที่ได้อบรมฝึกจิตทางสมาธิแล้วอาจทำจิตให้เข้าผวังได้แม้ในขณะตื่นอยู่ความฝันเมื่อพูดถึงเรื่องนอนหลับแล้วก็น่าจะพูดถึงเรื่องของความฝันสักเล็กน้อยเพราะหลับกับฝันเป็นของคู่กันในการพูดเรื่องนี้ข้าพเจ้าขอสมมติว่าเรามีน้ำอยู่ตุ่มหนึ่งถ้าตุ่มเคลื่อนไหวน้าในตุ่มก็ไม่นิ่งบางทีตุ่มนิ่ง ลมพัดทําให้น้ําไม่นิ่งต้องตุ่มไม่เคลื่อนไหวด้วยลมไม่พัดด้วยน้ําจึงจะนิ่งเรื่องของจิตก็เหมือนกันตุมเปรียบกับร่างกายน้ําเปรียบกับจิตถ้าร่างกายเคลื่อนไหวจิตก็ไม่เข้าผวังหรือแม้ร่างกายนิ่งแล้วแต่อารมณ์ต่างๆยังรบกวนจิตใจอยู่จิตก็ไม่เข้าผวังเช่นเดียวกันต้องกายนิ่งด้วยอารมณ์ไม่รบกวนจิตด้วย จิตจึงจะเข้าพวังเราไม่สามารถมองเห็นเงาในน้ำที่ไม่นิ่งได้ฉันใดเราก็ไม่อาจมองเห็นสภาพของจิตในจิตที่ไม่นิ่งได้ฉันนั้นพอน้ำในตุ่มของเรานิ่งเราก็จะมองเห็นเงาสิ่งต่างๆในน้ำนั้นเราก้มหน้ามองที่น้ำไม่ต้องเงยหน้าแต่ถ้ามีนกบินผ่านต้องปากตุ่ม เราก็เห็นเงานกปรากฏในน้ำของเราเราจะเห็นภาพดาวเห็นภาพก้อนเมฆเห็นภาพใบไม้ร่วงถ้าในขณะนั้นมีใครยื่นสิ่งของมาเช่นยื่นดอกไม้มาให้เราขอโทษหรือยื่นไม้ตะพดมาจะตีลงบนศรีรษะเราเราก็จะเห็นภาพของช่อดอกไม้หรือภาพไม้ตะพดนั้นปรากฏในน้ำก่อนที่มันจะมาถึงเรา ภาพต่างๆย่อมปรากฏในน้ําที่นิ่งดังนี้จิตที่นิ่งก็เหมือนกันคือเมื่อจิตเข้าผวังแล้วภาพต่างๆย่อมจะปรากฏในภวังนั้นในวงเล็บอย่าลืมว่าจิตในขณะนั้นมีแต่รู้ภาพที่ปรากฏในภวังขณะนอนหลับนี้เรียกว่าฝันภาพที่ปรากฏในผวังในวงเล็บฝันนั้นเราอาจจะจัดเป็นประเภทได้3อย่างดังนี้ 1. เป็นภาพทิพย์ของสิ่งที่ผ่านกระแสจิต ในขณะนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่อาจไม่มีความหมายเกี่ยวกับตัวเราเลยคล้ายกับภาพนกบินผ่านตุ่มน้ำหรือภาพดาวและภาพใบไม้ร่วงดังกล่าวแล้ว 2. ภาพของสิ่งที่กำลังเคลื่อนเข้ามาหาจิตนั้นเป็นเรื่องที่จะบังเอิญเกิดขึ้นแก่เราในลำดับต่อไปคล้ายกับภาพช่อดอกไม้ที่มีคนยื่นมาให้เราหรือภาพไม้ตะพดที่กำลังยื่นจะตีบนศีรษะเราซึ่งปรากฏในตุ่มน้า 3. ภาพที่ปรากฏเรือเรือลางๆเอาเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้ซึ่งเกิดขึ้นเพราะความไหวของจิตในภวังนั่นเองเหมือนภาพเรือเรือลางๆในน้ำที่เป็นระลอกขึ้น